หกทเวอุปสัมปทาเปคาทิวัตถุว่าด้วยอุปสมบทอุปสัมปทาเปคาสองคนเป็นต้นเรื่องแย่งกันอุปสมบทก่อนข้อหนึสมัยนั้นท่านพระมหากรสปะมีอุปสัมปทาเปคาสองคนอุปสัมปทาเปคาทั้งสองเถียงกันว่าผมจากอุปสมบทก่อนผมจากอุปสมบทก่อน